ผมมีแฟนเป็นผู้ชายและได้ทุ่มเทเข้าวของเงินทองให้เขาทุกอย่างต่อมาเขาขออนุญาตไปแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งผมก็ตกลงแต่เขาก็ยังคงมานอนกับผมเป็นครั้งคราวอย่างเนี้ยถือว่าผิดศีลหรือไม่ครับถือว่าผิดครับเพราะการประพฤติผิดทางเพศคือการละเมิดสิทธิในคู่ครองผู้อื่นไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าต้องเป็นเพศไหนกับเพศไหน หากคุณอยู่ในสังคมที่หญิงชายมีสิทธ์เท่าเทียมกันทั้งตามกฎหมายและตามมาตรฐานความรู้สึกของคนในสังคมเมื่อตกลงแต่างงานกันตามกฎหมายด้วยความยินยอมพร้อมใจมีความหมายว่าต้องเป็นของกันและกันแต่และฝ่ายมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะหวงแหนไม่ยินยอมปั่นกายของคู่สมรสไปร่วมเพศกับใครอื่นการแต่งงานไม่ใช่สักแต่เป็นแค่พิธีอย่างที่หลายคนในยุคนี้เข้าใจ ทะเบียนสมรสมีผลทางกฎหมายใหญ่หลวงชนิดคนโสดยากจะเชื่อเช่นทั้งสองฝ่ายมีสิทธิในทรัพย์สินหลังสมรสขนาดพ่อยกบ้านให้คุณหลังจากแต่งงานก็ยังต้องถือว่าบ้านเป็นสินสมรสที่ต้องหารสองกับเมียเลยครับกฎหมายถือเอาทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นหุ้นส่วนชีวิตแต่ธรรมชาติไม่ขอดูใบสมรสครับ เอาแค่คุณใช้แหวนมั่นหมายใครหรือจัดงานแต่งเพื่อประกาศความเป็นเจ้าบา่าวเจ้าสาวเพียงเท่านี้ก็มีผลผูกมัดประดุดร่างกายของอีกฝ่ายเป็นทรัพย์ทรัพย์จะเอาตอนเองไปให้ผู้อื่นเชยชมมิได้และผู้ละเมิดจะได้ชื่อว่าทำผิดกฎธรรมชาติมีบทลงโทษหนักเบาตามกรณีแน่นอนเมื่อคิดถึงสิทธิครอบครองเสมือนร่างกายของแต่ละฝ่ายเป็นทรัพย์สิน ทุกอย่างจะเป็นที่เข้าใจง่ายขึ้นและไม่มาติดอยู่กับรูปแบบเงื่อนไขสารพัดพิสดารอันใดลักกินขโมยกินข้าวปลาชาวบ้านเป็นอย่างไรลักลอบมีชู้ก็เป็นอย่างนั้นเดิมคุณเป็นเจ้าของแฟนแบบลับๆในฐานะที่เลี้ยงดูให้เงินทองแต่ทันทีที่คุณยินยอมให้เขาไปแต่งงานกับฝ่ายหญิงตรงนั้นสิทธิ์ดั้งเดิมของคุณขาดลงแล้วถือว่าโอนสิทธิ์ไปให้กับฝ่ายหญิงแล้ว เพราะฝ่ายหญิงเขาเป็นเจ้าของสามีตามกฎหมายเป็นที่รับรู้แบบออกหน้าออกตาในสังคมต่างกับคุณที่อาจจําเป็นต้องคบกับเขาลับๆยากจะประกาศสถานภาพความเป็นเจ้าของให้ใครรู้ได้แม้ขาเก่าของคุณเขาอาจกลับมาหลับนอนด้วยจะเพราะเขามีใจรักหรือเพราะอยากตอบแทนบุญคุณไม่เลิกก็อาจเล่าตกลงกันไว้ก่อนว่าต้องเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดเราต้องดูตามจริงว่าสิทธแท้จริงอยู่ที่ใครแล้วใครที่ถูกถือว่าเป็นฝ่ายละเมิดสิทธ์ในวงเล็บในที่นี้คือคุณละเมิดสิทธ์ด้วยพันรายาตามกฎหมายไม่ยินยอมด้วยความปรารถนาดีผมขอแถมโดยที่คุณไม่ได้ถามนะครับปัจจุบันคุณมีความรู้สึกทางเพศที่ผิดธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้น ขอให้คำแนะนำแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมคือเลิกเสียเถอะครับสละเขาแล้วก็สละให้เด็กขาดตลอดรอดฟังเถอะอย่าคาราคาสังครึ่งครึ่งกลางกางอย่างนี้เลยบุญคุณเก่าๆในส่วนที่คูนให้กับเขามันไม่ไปไหนหรอกแต่นี่ใหม่ที่สร้างไว้กับภรรยาผู้อื่นนั้นจะยืดความรู้สึกผิดธรรมชาติให้ยาวออกไปอีก